อาการะวิธีสามัญญาพิทานเนื้อความของถ้อยคำทั้งปวงต้องไม่รู้กันด้วยอาการาเมื่ออาการะวิบานแล้ว ก, ก็เข้าใจเนื้อความยากเพราะจะนานว่าเป็นผู้จลาในอาการะจึงมีบุ ป, ปาการมามคำวราอาการะนา้นว่าตานากปราชญ์ท่านประทงค์ก็เป็นสองอย่างเป็นเชียงอย่างหนึ่ง เป็นตัวนั่งซืออย่างหนึง่งเพราะจะนานเสียงก็ดีตัวนั่งซือก็ดีชื่ออักขระอักขระแปลว่าไม่รู้จักสิ้นอย่างหนึง่งไม่เป็นพ้องแขคงอย่างหนึง่งอักขระที่ใช้ในภาทาบาลี น, นั้นมีสี่สิบเจ็ดตัวคือ a a e e u u อ o แปดตัวนี้ชื่อว่าตาระกากาคางาจจจจ Tat a t a t a na, tat tat tat t a na, pa pa pa pa ma. ยาราลาวาตาลอาอังสาสามตัวนี้ชื่อพายัญชนะสาราอักคาราสีปตัวนี้อักคาระเพื่องตนแปตัวตั้งแต่อาจนถึงโอชื่อว่าสาระออกเสียงได้ตามลำพังตนเองและทพาพยัญชนะให้ออกเสียงได้สาระแปตัวนี้ชื่อว่านิสัยเป็นที่อาศัยของพายัญนชนะบรรดาพายัญนชนะต้องอาศัยสาราจึงออกเสียง ในสารแปลตัวนั้นสารมีมาตราเบาสามตัวคืออีอูชื่อว่ารสศมีเสียงสั้นเหมือนคำว่าอติค่ารูเป็นต้นสารอีกหาตัวคืออีอูเอโอชื่อว่าธีคามีเสียงยาวเหมือนคำว่าอากิวาตูเซโกเป็นต้นเอโอทองตัวนี้ ฉันนาสังโยคตัวสะกนอยู่เบื้องล่างจะเป็นราษาเหมือนคำว่าสายโยสทีเป็นสอนสาระที่เป็นที่คาลวนสาระที่เป็นรส า, ามีพัดฉันะสังโยแม่นนิขาดหินอยู่เบื้องล่างเจว่ากาโรมีเสียงนางเหมือนคำว่าปูปาโลเอศีมนุสินโต สายยางเป็นตนสาระที่เป็นราสาลวนไม่มีพยาญชาณาสังโยกและนิขาญินเชือลาหูมีเสียงเบาเพื่อนคำว่าปาติโมนีเป็นตนสารานจันจเป็นสามผูคืออาอาเรียกว่าอาวันโนอีอ อวันโนโอู อ, อเรียกว่าอูวันโนเอโอสองตัวนี้เป็นสั้งยุติสาราประกอบเสียงสาราสองตัวเป็นเสียงเดียวกันอากับอีพาส่งกันเป็นเออากับอูพาส่งกันเป็นโนเพราะฉะนั้นสาราสองตัวนี้จึงเกิดในสองคานพายัญช น, นะ อาการาที่เหลือจากสารสามสิบสามตัวมีกาเป็นตนมีนิกายดีเป็นที่ศูนเรียกว่าพ้ายัญจนาคำว่าพายัญชนานานแปลว่าทําเรื่องควาให้ปรากฏอาการาเหล่านี้เป็นนิสิตเพราะต้องอาศัยสารจึงออกเสียงได้พ้ายัญจนาสามสิบสามตัวนี้จัดเป็นซองกัวคือวักหนึ่งอาวักหนึ่ง วางจะเป็นห้าอย่างนี้กะขาข้าข้งตัวนี้เรียกว่ากะวัจชาชาชาชยาหตัวนี้เรียกว่าจะวกตาาตาขานาห้าตัวนี้เรียกว่าตาวักตาข้าตาข้านาหตัวนี้เรียกว่าตาวัป่าข้าป่มาหาตัวนี้เรียกว่าป่าวักขยันชานายี่สิบห้าตัวนี้เป็นพวกพวอการตามท่านก่อที่เกิด จึงชื่อว่าวหางปายัญ น, น, นะแปลตัวคือยาราละวาหาลาอังเรียกว่าอาวะาเพราะไม่เป็นพวกเป็นหมู่การตามชาติาก่อนที่เกิดป้ายั น, น, นะคืออังเรียกว่านิฆาหินสามศาสนาโบฮานอนุาาสานสามคำพิศขาศาสนิกาหินแปลว่ากฎสารหรือกนคืออาวายาวาที่ทาเตียงอนุสาน ไปตามสารคือพายัญช น, นะตัวนี้ต้องไปตามลำสารคืออหิวเสมอคำว่าอหังเตตุงอากาสิ่งเป็นตนตานนะังกอด้องอาการะท่านคือที่ตังที่เกิดของอาการะมีโอคือกันโภกตาลุเปดานาากวาคุณกวาทันตบานโอโซริฟรีปาก กาจามวกากาคาบางเหล่าเกิดในฐานเดียวบางเหล่าเกิดในสองฐานการที่เกิดในฐานเดียวอย่างนี้ อ, อ, อขาอากาคาคังนาแต่ตัวนี้เกิดที่คอเรียกว่ากาตาจ่า อ, อิจิจ่าจ่าช่า จ, า จ, า จ, าาจา่าญาญแต่ตัวนี้เกิดที่เพดานเรียกว่า ดูชาตานาชาตานาราลาเจตตัวนี้เกิดที่ติสก็ว่าที่ปุ่มเงือก็ว่ามุตนาชาตานาชาตนาลาลาเจตตัวนี้เกิดที่บานเรียกว่าทันตาจักอู๋ป่าป่าป่ามาเจตตัวนี้ เริฟกเป็มมาเรียกว่าโอท า, านาเิกาหินเกิดในจามูกเรียกว่านาสิกนานานาจาระเหล่านี้ยกเสียนแต่พันชาติทีสุดว่าหาตัวคืองายานานามาเกิดในท่านเดียวกันเอกเกิดในสองทาน ขอแลกเพดานเรียกว่าการตาตาลู่โฉเกิดในสองทานคือขอแลกลิมปีบกเรียกว่าการโพธาโจพยายามชานาที่สุดฟักคนาตัวเกิดในสองทานคือตามท่านคองตนตนและจมูกเรียกว่าสับ ก, กานานาสิกธานาชาวาเกิดในสองทาน วันแ ล, ลิมฟี่ป่าเรียกว่าทันโตสาโจอาพายัญชันนาที่ประกอบด้วยพายัญชันนาแปดตัวคือดนานามายาลาวะลาเกิดแต่โเรียกว่าอุราชาถ้าไม่ได้พระกอมเกิดในกอสามทานเติมองตนเรียกว่ากันตาจาก่อนคือทานที่ทำบาการามีสีคือเจ้ามาจัง เล่นจิ้วปากกลางขัดปลายเล่นเข้ามาจิ้วหักางปลายเล่นตากระดานหัก ทานของโตนทามกลางลินเป็นก้อนของอาการะที่เป็นตาลูชาฐานปลายลินเข้ามาเป็นก้อนของอาการะที่เป็นหุ่นตาจ้าปลายลินเป็นก้อนของอาการะที่เป็นฐานตา้าทานกองโตนเป็นก้อนของอาการะที่เลือดจากนี้เตียงของอากาศะมาตราที่จะว่าอาการะนั้นดังนี้การะสัน ตาเดียวสารายาวสองมาตราตาตาที่มีพายญชนะสังโยมอยู่เบื้องล่างสามมาตราพายญชนะสั่งปวง ก, กึ่งมาตราตาราแปลตัวนั้นย่อลงเป็นสองคือมีเสียงตั้นมีเสียงยาวอย่างหนึ่งแม้ถึงพายัชนะก็มีเสียงไม่ต่างกันนะัก ที่ต่างกันคือกาช า, ธ า, ธาทาตาปาตัวนี้พายัญช น, นะแบ่งเป็นสองตามที่มีเสียงกองและไม่กองพายัญช น, นะที่มีเสียงกอง พยายามชตนาทีมีเสียงไหมกองเรียกว่าอาโกซาพายชาต น, นะทีหนึ่งที่สองในวัฏท้งฮคือกตจจ า, าตาทาตาทาปะปะและสิเอตัวนี้เป็นอาโกซาพายชาต น, นะทีสาที่ีที่ห้าในวัฏง คือคตังอาจาชาญ า, าสาตานาชาตนาพระพัมมะและยาราลาวะราญิสิเบตวนิเป็นโคซานิ迦ยินนัประโทรสะชาสะปราทรงเป็นโคซาส่วนนปราไฟสะานาประทรงเป็นโคซาโคซาเวมุตคือพจนจากโคสาและอาโคสาพยานชานาวางที่เป็นโคสาและอาโคซา ก็แบ่งเป็นสองตามเสียงย่อนแลนะนาพายาชานาทีถูกทานปองตอนย่อนย่อนชื่อสี่ทิจานาทีถูกท่านปองตอนนาฟันเลือเสียงดังชื่อธานินพายาชานาทีหนึ่งที่สาในวัดท้งทาง 5, เป็นสี่ทิศพายาชนชาณนาทีสองที่สี่ในวัดทางทาเป็นธานินในคาพิกัดจยานาเมสแสดงไว้ว่าพายาชานาทีสุดวัดทาตัว สีเทินแต่ในคำี่ทั้งลายอื่นท่านมีได้กล่าพยานช น, นะที่เป็นสีทินอาโคสมีเสียงเบากว่าทุกพยานช น, นะธนิตอาโคสมีเสียงหนักกว่าสีทินอาโคสา สีทิโคจามีเสียงดังกว่าธานินาโคจ า, าธาตุนาโคสามีเสียงก้องกว่าสีชิณโคสาเป็นชั้นชั้นดังนี้พายานชาณาสังโยลักษณะที่จะประกอบพ า, านนะัญชาณาซอนกันได้ดังนี้ในพาัญชาณาวัดทั้งหลายพายานชาณาที่หนึ่งภ า, านชาณาที่หนึ่งและที่สองในวัดของตนได้สกุอาภารางังพายานชาณาที่สาม นาที่สามและที่สี่พร้อมตนได้อ้ิศรัทธาพยันชานะที่สุดว่าข้าตัวซอนพยันชานะในว่าของตนได้ทั้ง 5, ตัวยกเสียแต่ตัวงาเป็นตัวสะกดอย่างเดียวไม่ได้มีส้ำเนียงในภาษาบาลีซอนหน้าตัวเองไม่ได้ในพยันชานะา้านาากทั้งลายยาละซะ ตนหน้าตัวเองกายพายชันหน้าสีตัวคือยาลาลาวาถ้าอยู่ร่างพายชันหน้าตัวอื่นออกเสียงผ่าต้มกับพายาชันหน้าตัวหน้าตัวสะมีสาเหนียงเป็นบุตตุมาแม่ตึงเป็นตัวสารกบพของสารตัวหน้าแล้วก็ยังมีเสียงปรากฏหน่อยหนึ่งตัวหนาน้าถ้าอยู่หน้าพายชันหน้าตัวอื่นก็ทําให้สารที่อยู่ข้างหน้าตนออกเสียงมีลมมากขึ้น เหมือนคำว่าพรมมารพราัพญชนน์แป่ตัวญานามาญาลาวลานานา ม, าานนามีส้ำเนียงผาทรงกับพระญชนะนานอัทาสารพระพญานชนนวังทั้งปวงเป็นมูกาพระพญานชนนไม่มีมาตราเลย พราะจะรวมเข้ากันพายานนัญชันนาตัวใดตัวหนึ่งลงในสารเดียวกันออกเสียงป่าสมกันไม่ได้เป็นได้อยู่แต่ตัวสะกดอย่างเดียวส่วนพายัญชันนาคือยาราลาวาซาลาเจตวาน้เป็นอาชาสารมีเสียงถึงตาราคือกึ่งภาษาเพราะพายัญชันนเหล่านี้บางตัวก็รวมลงในสารเดียวกัน ช่วยมาอย่างฉนนอื่นออกเสียงพร้อมกันได้บางตัวแม้เป็นตัวสะกดก็คงออกเสียงหน่อยหนึ่งขอให้ได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวสะกดลำดาภอกการาในคำภีโมกขามากาส า, า, ารทีบานีท่านจะแดงลำดาภอกการาไว้ดังนี้อักการาตีติเปตัวแม้ตามการโดยท่านที่เกิดเป็นตนก็เป็นสองอย่างคือเป็นที่สัยอย่างหนึ่งเป็นที่ศิตอย่างหนึ่ง สาระที่เป็นที่อาศัยของพยาันชนะนิสยยัยพยาญชนะอันอาศัยสาระนิสีณสวนพญานชนะก็แบ่งเป็นสองอย่างเป็นวักเป็นอาวักหนึ่งท่านเรียงพยานชนะวักไว้ก่อนพยาญชนะที่มีใจวักไว้หลังเพราะพญาญชนะวักมากกว่า ยัญชันนาที่ไม่ใช่วางให้รู้จักลําดำความพยาญชันนาวัดทั้งหาตามลําดับทานแม้อาการาก็แบ่งเป็นสองอย่างคือโคซาหนึ่งอโคซาหนึ่งควรจะเรียงโคซาไว้ก่อนแต่พยัญชันนาที่เป็นอาโคซามีเสียงเบากว่าท่านจึงได้เรียงอาโคซาไว้ก่อนโคซาไว้ปายลาง การเรียงอักรามีดังนี้เรียงสาระไว้ก่อนในสาระเหล่า น, นั้นก็เรียงสาระที่มีท่านเดียวไวก้นนะวะไวก่อนเรียงพยาญชันนาวังไว้ก่อนเรียงพยัญชนนาวางไว้หลังในพยัญชนนาวางนั้นพยัญชนนาที่มีเสียงเบาไว้ก่อนแม้พยัญชันนาวางก็ต้องเรียงโคษะไวก้ก่อเนเพราะโคสะมีมากกว่าอโกราเอิกรหิน ไว้ในที่สุดเพระปายัญช น, นะเพราะไม่มีเสียงไม่มีพวกและคนจากโคตะและอาโคสะ